ธรรมะเหล่าใดที่เป็นอกุศลส่งสั่งสอนให้ละถ้าละได้แล้วพ้นทุกข์แล้วร้อนใจจริงธรรมะเหล่าใดที่เป็นกุศลส่งสั่งสอนให้เจริญถ้าเจริญขึ้นแล้วยอมไดีรับผลสงบระงับร่มเย็นเป็นสุขได้จริงๆตอบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายแปรินิพานมานานแล้วเราไม่ได้เห็นพระองค์คงได้ฟังแต่คำสอนประพฤติปฏิบัติตามได้รับความโปร่งใจไม่มีความร้อนเพราะเราอากุศลเมื่อครอบงำใจคงมีแต่ใจที่เป็นกุศลรื่นเริงอยู่ในสัมมาปฏิบัติจึงรู้สึกเห็นพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีอะไรจะสนองพระคุณ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 น่านำมาซึ่งความเลื่อมใสบางท่านไม่มีศีลอันงามไม่มีธรรมะอันงามและทำกรรมอันไม่ควรไม่สมกับอยู่วัดไม่น่านำมาซึ่งความเลื่อมใสผู้ปฏิบัติดีย้ายบ้านแล้วท่านก็ย้ายใจด้วยคือออกจากกามด้วยกายแล้วก็ออกด้วยใจที่ในองค์มรรคแปดเรียกว่า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 คืออัธยาศัยใจคอเคยเป็นผู้หมวกมุนติดอยู่ในกามหรือเคยมีความยินดีติดอยู่ในอารมณ์อะไรอะไรในโลกและเป็นผู้เกียดคร้านไม่ปรารบความเพียรเพื่อจะละอกุศลและไม่เจริญกุศลเป็นผู้ประมาทมากไม่เห็นภัยในอบายไม่เห็นภัยในสังสารวัฏไม่เห็นโทษของกามไม่เห็นอนิสงค์ของเนคขมมะ เพราะฉะนั้นคงอยู่วัดแต่กายส่วนใจนั้นอยู่นอกวัดมีความเห็นผิดดำมรีผิดเป็นโคจระหรือโคจรคืออัธยาศัยใจคอเมื่อครั้งอยู่บ้านเป็นเช่นใดครั้นมาอยู่วัดก็เป็นเช่นนั้นนี่แหละผู้ย้ายบ้านแล้วไม่ย้ายใจ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 ตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความเจริญงอกงามในธรรมวินัยเป็นการเสียผลของตนเองเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคประกอบด้วยพระมหากรุณาซึ่งตรัสสอนสาวกในทัศธรรมสูตรมีเนื้อความว่าธรรมะสิบเหล่านี้บรรพชิตควรพิจารณาทุกๆวัน คือหนึ่งบัดนี้เรามีเพศต่างจากขรือหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 3. อาการกายวาจายอย่างอื่น ที่เราจะต้องทาให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้ 4. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. ผู้รู้ใครครวนแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่หก